จเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมะทั้งหลายวันนี้ก็เป็นประวัติของท่านพระมหาเถระอีกรูปหนึ่งในอันดับที่47ก็คือประวัติของท่านพระปิณโดละารทวาชเถระชื่อของพระเถระองค์นี้ยาวหน่อย ชื่อว่าพระปิณโดละพารทวาชเถระท่านพระปิณโดละพารทวาชเถระผู้นี้เดิมนั้นท่านเป็นบุตรของพรหาหมาศาลพารทวาชโคตรคือเกิดในวันณะของพราหมณ์แล้วก็เกิดในตระกูลพรหาหมาศาลอีกด้วย โคดของท่านก็คือภาระะวาชโคดในกรุงราชครุมีชื่อตามโคดก็คือว่าตามที่ประชาชนเขาเรียกกันตามโคษหรือเรียกกันชื่อตามนันสุ ข, ขุนว่าภารตะวาชมานกภาระะวาชมานกนี้เมื่อจเจริญวัยขึ้นแล้วก็ได้ศึกษาเราเรียนจนกระทั่งจบตรยเพศ ตามลทัทธิของพรามซึ่งไตรเพศนี้ก็มีเวทสามประการเดือกันก็คือยะอรึเขเวทสามเวทและยะชุระเวทอันเป็นคำภีตามลทัทธิของพรามซึ่งบุคคลผู้เกิดในวันะพรามแล้วจะเป็นพรามได้เต็มตัวนั้นก็ต้องเรียนจบไตรเพทปรากฏว่าภาระทวาชามานนภูนี เรียนจนจบไตรเพศจนมีความชำนิชำนาญเป็นอย่างมากได้เป็นอาจารย์บอกศิลปะวิทยาแก่มนกประมาณห้าร้อยคนด้วยกันได้ฟังข่าวมาว่าภาระวาชะมนกผู้ไหนผู้นี้เป็นผู้มีความโลภในอาหารเที่ยวไปสแสวงหาอาหารกับด้วยมนกผู้เป็นศิษย์ของตนนั้นในที่ทต่างๆ <c oughs> คือในที่ที่ควรบ้างควรไปหาบ้างไม่ควรไปหาบ้างแต่อาศัยความโลภอาศัยความโลภในอาหารนั้นจึงไปทุกแห่งทุกสถาน ท, ทั้งทั้งที่วัดสถานที่นั้นไม่ควรจะไปเหตุนั้นก็จึงได้มีนามปรากฏหน้าชื่อของเขาว่าปินโดละปินโดระ ซึ่งก็แปลว่าเป็นผู้มีความโลภในอาหารนั่นเองก็จึงชื่อคำว่าปินโดละนี้ก็จึงได้เป็นชื่อต่อนาหน า, า, หนาภารทวาชะมานบวาปิโดละภารทวาชะมานพครั้งหนึ่งเมื่อพระบรมศาสดานั้นประกาศพระศาสนามาโดยลำดับจนถึงกรุงราชครุ ปินโดลภารทวาชะมานพูนีได้ทราบข่าวแล้วก็จึงได้เข้าไปเฝ้าการเข้าไปเฝ้าของมานพูนี้ก็อาจจะมีด้วยกันสองประการคือหนึ่งด้วยความเรื่มใสและอีประการหนึ่งก็คงที่เรียกว่าเพื่อที่จะทดสอบหรือทดลองดูแต่เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วปรากฏว่าเกิดความเรื่มใสและจึงได้ทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัย พระองค์ก็ทรงอนุ ญ, ญาตให้บวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนาได้ท่านพระปิณโดลพารทวชะได้อุปสมบทแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทอุตสาหาเจริญสมณธรรมในวิปัสสนากรรมฐานไม่ช้าไม่นานก็ได้สำเร็จพระอระหัตตะขท่านพระปิณโดพาระทวาชะนี้ เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีสามประการด้วยกันคือหนึ่งสตินรีสตินทรก็คือมีสติมั่นคงสติสมบูรณ์อยู่เสมอสองสมาธินรีมีสมาธิสมบูรณ์แล้วก็สามปัญญนรีมีปัญญาสมบูรณ์ในวันที่ท่านได้บรรลุพระอรหัตผลนั้น ท่านก็ได้ถือเอาอาสนะเครื่องราชไปสู่บริเวณวิหารปูราชแล้วก็เที่ยวบรรลือศีหนาดด้วยวาจาอั์องอาจคำาบรรลือศีหนานี้ก็คือว่าเปลงวาจาออกมาด้วยวาจาองค์อาจว่ายะสะมัคเควาเลวาตังขาอาธิกโสมังปุจจตุดังนี้ ซึ่งมีความหมายว่าผู้ใดมีความสงสัยในมักหรือผลผู้นั้นจงถามข้าพเจ้าจงถามข้าพเจ้าเถิดไม่ว่าท่านพระปินโดภารัตวาชะผู้นี้จะไปในที่ไหนก็ตามถึงแม้แต่ที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระเจ้าท่านก็มักจะบรนเลยเช่นนี้เป็นประจำ อาศัยเหตุนี้แหละพระบรมศาสดาจึงได้ทรงยกย่องท่านว่าเป็นผู้เลิศกว่าพิกษุทั้งหลายผู้บรรลือศีนษะท่านพระปินโดภารัทวาชะนั้นประวัตินั้นก็กล่าวไว้เพียงแท่นี้แต่ที่ได้ทราบประวัติของท่านในคำเพียงอื่นนั้นเช่นในคัเพีปฐมสมโพธเป็นต้นก็ได้นำเอาเรื่องราวของท่านมาว่า ท่านพระปินโดภาระทวาชหุณนี้เป็นผู้ที่มีความสําคัญต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งเรียกว่าทําให้บุคคลที่ไม่เลื่อมใสไม่นับถือพุทธศาสนาก็นับถือที่นับถือแล้วก็ให้นับถื อ, อยิ่งยิ่งขึ้นไปประวัติของท่านนั้นปรากฏว่าครั้งหนึ่งท่านได้แสดงอิทธิวิธนะิคือแสดงฤทธ์ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งตามประวัติได้ว่า ในลูกในช า, าในกางครั้งหนึ่งเศรษฐีชาวกรุงราชคลึกคนหนึ่งซึ่งเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากมีบริวารมากวันหนึ่งเศรษฐีคนนี้ <c oughs> ได้ไปอาบน้ำอย่างแม่น้ำต้องการจะเล่นน้ำในแม่น้ำนั้นก็จึงได้ให้บริวารของตนนั้นนำข่ายไปกั้นในแม่น้ำ ทั้งด้านทิศเหนือและทิศใต้เพื่อที่ต้องการป้องกันสัตว์ลายที่จะมาทํำลายในขณะที่ตัวเองนั้นกําลังเล่นน้ําอยู่เพราะว่าในน้ํานั้นเราไม่สามารถจะมองเห็นได้ว่าจะมีสัตว์ลายอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็จึงก่อนที่ตนเองจะลงไปอาบน้ําไปเล่นน้ํานั้นก็จึงให้บริวารของตนเองนั้นเอาตาข่ายไปกัน้นกั้นทั้งเหนือน้ําไว้แล้วก็ไล่ให้คนตี ให้สัตว์ที่เป็นดัชวลายนั้นก็หนีออกไปเสร็จแล้วก็กั้นตาข่ายไว้ทางด้านใต้แล้วตนเองก็ลงอาบน้ําในระหว่างตาข่ายนั้นเพื่อป้องกันอันตรายปรากฏว่าเมื่อเศรษฐีผู้นี้แห่งกรุงอ่าเศรษฐีแห่งกรุงราชสุรพผู้ธ์นี้อ่าอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> จึงให้เก็บตาข่ายขึ้น ในขณะที่เก็บตาข่ายนั้นก็ปรากฏว่ามีท่อนจันแดงคือไม้จันแดงท่อนหนึ่งไหลมาติดอย่างตาข่ายนะั้นมากากว่าตามกแสนาก็มาติดเอาตาข่ายเข้าซึ่งท่อนไม้จันแดงนี้ถือว่าเป็นไม้ที่มีราคามากเศรษฐีผู้นี้เมื่อได้ท่อนไม้มันแล้วก็มันนึกว่าเราควรจะทําอะไรดี สิ่งต่างๆนั้น น, านั้นที่ทําด้วยอันเป็นของมีราคาแพงที่แกะสลักด้วยท่อนไม้จันแดงนั้นของเราก็มีอยู่แล้วควรจะทําได้ดีก็มา น, นึกขึ้นได้วา่ามีนักบวชต่างๆนั้นอวดอ้างตนว่าเป็นพระอรหันต์อยู่เสมอเพราะฉะนั้นเราต้องการจะลองดูซิว่าพระอรหันต์นั้นมีอยู่ในโลกหรือไม่ก็จึงสั่งให้ในายช่างนี้กลึงไม้ท่อนไม้จันแดงนั้นเป็นบาท กรึงท่อนไม้จันแดงนั้นเป็นบาดเมื่อกรึงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาท่อนไม้จันแดงบาดจันแดงนั้นขึ้นไปผูกไวบ้บนยอดมะบนยอดแห่งไม้ไผ่ซึ่งเอาใช้ไม้ไผ่ต่อกันปเป็นลาลับต่อลันขึ้นไปสูงหกสิบสองแล้วก็ได้เอาบาดไม้จันแดงนี่แหละขึ้นไปแขวนไว้บนยอด ลำไม้ไผ่ที่ต่อขึ้นไปสูงหกสิบสองนั้นแล้วก็ประกาศทั่วไปว่าบุคคลใดเป็นพระอรหันต์บุคคลนั้นจงมาอาบาดนี้ไปซึ่งถือว่าบาดไม้จันนี้เป็นไม้ที่มีราคาแพงมากเพราะไม้จันมีราคามากไม้จันแดงก็ปรากฏว่าพวกเจ้าลัทธิต่างๆหรือว่าครูต่างๆนั้นได้ใช้ให้ลูกศิษย์ของตนเองมาติดต่อบ้าง หรือแม่ที่สุดตัวเองก็มาติดต่อบ้างเพื่อที่จะขอบ่ายของอของเศรษฐีผูน้นี้อยู่ในครอบครองเพื่อที่จะได้แสดงว่าตนเองนั้นเป็นพระอรหันต์บรรดาโูสานุสิ์ของพวกครูทั้งหลายนั้นก็มาติดต่อท่านเศรษฐีบอกว่าอาจารย์ของเรานั้นเป็นพระอรหันต์แต่ท่านนั้นไม่อยากจะแสดงความเป็นพระอรหันต์คือแสดงอิทธิปฏิหารให้บุคคลใดดูซึ่งการแสดงอิทธิปฏิหารนี้ เป็นการที่เรียกว่าเป็นการอวดอ้างตนมากกว่าเพราะฉะนั้นท่านจงให้บ่ายแก่อาจารย์ของเราเถิดหรือให้บ่ายแก่บรมครูของเราเถิดเศรษฐีก็ยังยืนกลาง น, นะยังยืนการคาเดิมหรือที่เราเรียกกันตามภาษาไทยว่ายืนกระตา่ายคานเดียวอยู่ว่าถ้าหากบุคคลใดเป็นพระอรหันต์แล้วบุคคลนั้นจงเอาจงเหาะขึ้นไปเอาบาัตนระจงเหาะขึ้นไปเอาบาัตร ข้าพเจ้าไม่ไม่ถวายหรือไม่ให้บุคคลใดสศรษีก็ยืงยืนการอยู่อย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งมีอครูคือเจ้าระทิองค์หนึ่งได้บอกสัญญากับศิษย์ว่าถ้าหากว่าเรานั้นพอทําท่ายกเท้าขึ้นทําท่าเจาะห่อนั้นขอให้เจ้านั้นลวบตัวเราไว้ เพื่อที่เป็นการลงสถีดังนั้นศา ส, สดาผู้นี้ก็จึงได้ไปก็พร้อมทั้งสารุสิทธิไปหาใบดังที่แขวนบาทไว้แล้วก็จึงได้กล่าวกันเลยแก่สถีว่าสฐีขอให้ท่านนั้นจงเอาบาทมาให้เราเถิดอย่าให้เราต้องแส ด, แดงเอาปินิหารอะไรเลยสฐีก็ยยังยืนการต่อคำเดิมว่าถ้าหากว่า ท่านนั้นเป็นพระอรหันต์ก็จอ้องเหาะขึ้นไม่เอายังไม่ยอมให้เศรษฐีก็ประกาศเชน่นนี้ในขณนะนั้นเองสัสดา น, นก็ทำท่า ย, ยกเท้าขึ้นข้างหนึ่งทำท่าจะเหาะบรรดาสาวศิก็จึงได้รวบเอาสัสดา อ, อนั้นไว้ไม่ให้เหาะแล้วก็กกล่าวห้ามว่าขอท่านอาจารย์อย่าได้ทำเช่นนี้เลยไอการแสดงอภินิหารนี้เป็นการที่ว่าอวดอ้างมาไปเปล่า ดังนั้นศาสนาองค์นั้นก็จึงได้กล่าวกับเศรษฐีว่าเศรษฐีข้าพเจ้านั้นต้องการที่จะเหาะขึ้นไปอาบาตแต่ว่าลูกศิษย์ทั้งหลายของข้าพเจ้านั้นได้ห้ามไ้แล้วเพราะฉะนั้นขอให้ท่า น, น่ะจงให้บาปแกเราเถิดเศรษฐีก็ยังไม่ยอมไม่ยอมให้โดยกล่าวว่าถ้าผู้ใดเป็นพระสารบุคคลนั้นพึงเหาะเอาไปทำอยู่เช่นนี้แหละเศรษฐีก็ทำอยู่เช่นนี้จนถึงกระทั่งวันที่เจ็ดในตอนเช้า ในตอนเช้าวันนั้นท่านพระโมคคัลลานะกับท่านพระปิดโดภารทวาชานี่แหละออกจากวัดพระเวรุวันมหาวิหารเพื่อจะเข้าไปพิบาตในกรุง ร, รัชคลึกไปนั่งณนะที่แผ่นหินแห่งหนึ่งไปพักที่แผ่นหินแห่งหนึ่งกําลังที่โฮมจีวรจัดแจงนุ่งโฮมจีวรให้เรียบร้อยอยู่ก็ได้ยินประชาชนได้พูดกันว่า วันนี้แหละวันนี้เองเราจรึงได้รู้ว่าพระอาหารหันต์นั้นคือไม่มีขึ้นไม่มีอยู่ในโลกการที่บุคคลประกาศว่าตนเองเป็นพระอรหันต์นั้นเป็นการที่กล่าวเท็จหรือว่านักบวชทั้งหลายที่ประกาศตนเป็นพระอรหันต์นั้นเป็นการที่กล่าวเท็จโดยทั้งหมดเพราะว่าไม่มีบุคคลใดไม่มีพระอรหันต์องค์ใดที่จะมาเอาบาสนี้เลยท่านพระโมคคารนะ ก็จึงได้กล่าวท่านกับท่านพระปินโดภารทวาชะว่าดูก่อนคุณปินโดภารถวาชะเธอได้ฟังอ่าคําของคนประชาชนที่พูดกันนั่นไหมปินโดทวาชะก็บอกว่าได้ฟังแล้วได้ยินแล้วเพราะฉะนั้นคนพู้นี้ย่ํายีนักบวชแม้กระทั่งที่ว่าย่ําดีพุทธศาสนามาก กล่าวหาว่าภาษาพุทธศาสนานี้เป็นศาสนานที่หลอกลวงเพราะฉะนั้นเธอจงแสดงเอาบาดลงมาเพื่อที่จะแสดงให้ว่าพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เป็นศาสนานที่หลอกลวงยังมีพระอาหารหันต์อยู่ท่านพระปิณโดภาลัทวาชะก็จึงได้กล่าวกับท่านพระโมคคัลลา น, นะว่าก็ท่านนั้นเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีอนุภาพมากกว่ากระผมขอให้ท่านเถิดให้ท่านจงแสดงเถิด โมคลานเะพราะโมคลานะนั้นก็จึงได้กล่าวว่าเอาเถอะคุณจงทาเถอะดันนั้นท่านปินโดภารัทธวชะนีก็จึงได้เข้าออาพิญญาแล้วก็ได้แสดงอาพินิหารโดยที่ว่าเหาะขึ้นไปในอากาศมีมือและเท้านั้นที่ว่าถือก้อนหินไปั้งถือก้อนหินไปเป็นจำนวนมากประชาชนทั้งหลายได้เห็น อภินิหารเช่นนั้นแล้วกลัวก้อนหินที่พระเถระนั้นที่พระปินโดภารถวาชะเถระนั้นถือไปนั้นจะหล่นลงมาถูกสิษะของตนเองเป็นอันตรายจึงได้ใช้กระด้งบงังหรือสิ่งอื่นานานาบ้างบังตัวอาบังสิษะของตัวเองแต่ว่าก็ยังแง้นดูพระอ่าพระมหาเถระนั้นเหาะเวียนลอบ ก, ล, กลุ่มกระจึกรึก็ได้ตะโกนล่องออกไปว่าขอให้ พระผู้เป็นเจ้านั้นจนถือก้อนหินให้มันมันม่นอย่าได้ทำให้หลดลงมาจะเป็นอันตรายกับคนข้างหล่งท่านเศรษฐีได้เห็นท่านพระปินโดภาระทวราช ะ, ะทำประทักษินกรุงะะราชฤก์อย่างนั้นก็จึงได้รัตนาให้พระเถระนั้นลงมา <c oughs> แล้วก็จึงให้บริวารขขาตนนั้นชักเอาบาทที่ ไปห้อยไว้บนลำไม้ไผ่หกสิบสองนั้นลงมาถวายพระปิณโดภาระวาชะนี้กับพระมหาโมคลานะก็จึงได้นำบาดไม้จันนี้กลับยังพระเวฬุวันมหาวิหารปรากฏประชาชนนั้นตามพระมหาเถระนี้มาเป็นเป็นจำนวนมากเสียงส่งเสียงเอตโรจนกระทั่งถึงประตูพระเวฬุวันมหาวิหารองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้า ทรงตรัสได้ทรง ไ, ได้สดับเสียงของประชาชนอื้ออึนเป็นมากก็ทรงตรัสถามดูว่านั่นเสียงแห่งประชาชนอื้ออึงกันมากนั้นเป็นเพราะเหตุใดภิกษุทั้งหลายที่รู้เรื่องก็จึงได้กล่าบทูลว่าท่านเศรษฐีนั้นได้แขวนบาดไม้จันท์ไว้บนยอดไม่ไผ่ลำไม่ไผ่หกสิบสองปล่าว่าบุคคลใดเป็นพระอรหันต์บุคคลนั้นจงนําบาดนี้มา ปรากฏว่าท่านพระพินโดภารัวาชานี้ได้แสดงอภินิหารเช่นนี้เหาะเวียนรอบประทักษินกรุงราชคลึสามรอบประชาชนเห็นแล้วเกิดความเดินสายติดตามกันเป็นมากต้องการจะให้ท่านนั้นแสดงอภินิหารขึ้นอีกครั้งหนึ่งองค์สุเดศพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้ทราบเช่นนั้นแล้วก็จึงได้ตรัสเรียกพระพินโดภารัวาชมาทรงตำหนิติเตียน การที่ได้ทำเช่นนั้นแล้วก็จึงได้ให้ทําลายบาสนั้นเสียโดยที่ให้ทําลายบาสนั้นบดให้ละเอียดสําหรับทําที่เป็นที่หยอกตาสําหรับพิพิสุตังหลายนี่แหละท่านพระปินโดภาระทวราชานีเป็นผู้ที่ทําให้ประชาชนที่ไม่เลื่อมใสที่ให้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและที่เลื่อมใสแล้วก็ให้เลื่อมใสยิ่งยิ่งขึ้นไป ซึ่งมีมาในพระสูตรอื่นท่านพระปิณโดภาระทวาชะนั้นดำลงเบญจขันธ์อยู่โดยสมควรแก่การก้นดับขันธบริณิพานนี่เรียกว่าเป็นเรื่องของท่านพระปิณโดภาระทวาชะประวัติของท่านพระมหาปันธกะปันท ก, กะเถระประวัติของท่านพระปันทกะเถระอันดับที่48กลับประวัติของท่าน พระจูรปันธกะเทระอันดับที่สี่สิบเก้านี้มีประวัติเหมือนกันคล้ายกันมากเพราะฉะนั้นอาตมาก็จะกล่าวไปพร้อมกันไปเพราะเหตุว่าพระเทระสององค์นี้เป็นพี่น้องกันท่านพระมหาปันธกะเทระกับพระจูรปันธกะเทระนี้เป็นบุตรของธิดา เป็นบุตรของธิดาของเศรษฐีคนหนึ่งในพระนครราชกฤุ้เหตุที่ได้ชื่อปัญทะกะปันทกะเหมือนกันนั้นก็เพราะเหตุที่ว่าเกิดขึ้นในประทันประสูติหรือว่าท่านเกิดทางคลอดที่กลางระหว่างกลางทางทั้งคู่เดียวกันทั้งพี่ชายและน้องชายเหตุที่ทาให้ท่านทั้งคู่นั้นเกิดในหนทาง เกิดในระหว่างขนทางนั้นก็มีเรื่องอยู่ว่าในกรุงราชเกื้อหน้นมีเศรษฐีตระกูลหนึ่งซึ่งมีทรัพย์มีทรัพย์มากเศรษฐีผู้นี้ก็มีธิดาอมีธิดาคนหนึ่งคือมีลูกสาวคนหนึ่งเมื่อจเจริญวัยขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าบิดามารดานั้น ต้องการรักษาลูกสาวอย่างเหลือเกินคือไม่ยอมที่จะให้ลงมาเที่ยวเตเรหรือว่าทักทายปลาัยกับชายใดคนใดก็ตามในข้างนอกหรือว่านอกบ้านเลยจัดทําการรักษาวไว้ให้อยู่ถึงลแอรให้อูถึงตึกชั้นที่เจ็ดคือบ้านสูงถึงเจ็ดชั้นให้อยู่บนท่านที่เจ็ด ไม่ต้องการไม่ต้องการที่จะเรียกว่างให้คบค่าสมาคมกับคนใดเพราะกลัวที่จะไปรู้จักกับชายใดแทนหนึ่งเข้าแต่ว่าทิดา น, นั้นก็เป็นคนที่โลเลในบุรุษดังนั้นเมื่อมารดาบิดาของตนเองนั้นรักษาอย่างเหลือเกินให้อยู่ตึกบนชั้นที่เจ็ดนั้นไม่สามารถที่จะมาพูดจาคุยกับใครได้ก็ในบ้านนั้นก็มีคนชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนชายผู้ชายเสร็จแล้ว พิดานั้นก็เคยเลยได้เกิดได้เสียกันกับคนชายของตนเองเมื่อได้เสียกันแล้วภายหลังก็เกิดกลัวขึ้นมาว่ากลัวคนอื่นจะรู้จะรู้ว่าตนเองนั้นได้เสียคนชายหรือเป็นสามีพันยากันกลัวคนอื่นจะรู้ด้วยแล้วกลัวภัยอันตรายจะเกิดจาก บ, บิดามารดาของตัวเองด้วยก็เลยจึงได้นัดกับคนชายผู้ชายซึ่งเป็นสามีของตนเองนั้นพากห น, นีออกจากบ้าน พาหนีออกจากบ้านแล้วก็ไปอาศัยในบูบน่บ้านบ้านตําบลหนึ่งซึ่งเขาไม่รู้จักตนซึ่งไม่มีใครที่รู้จักตนเลยตนเลยทั้งสองสามีพัญญานี้ก็ทํามาหากินเลี้ยงกันต่อมาอยู่ต่อมานั้นพัญญาก็ตั้งคันขึ้นพัญญาก็ตั้งครันขึ้นเมื่อคันแก่ขึ้นแล้วก็ปรึกษากับสามีว่ามีความมีอาที่จะกลับไปคลอดอย่างที่บ้านเดิมของตัวเอง การที่จะกลับไปคลอดจากบ้านเดิมของตอนเองนี้อันนี้ก็เป็นประเพณีอันหนึ่งของประเทศอินเดียหรือว่าคนชมพูทวีปคนชมพูทวีปนั้นเมื่อแต่งงานแล้วโดยปกติจะไปอยู่ที่บ้านของสามีเมื่อตอนเองมีคันแก่ขึ้นแล้วใกล้จะคลอดก็จะกลับมาคลอดที่บ้านเดิมคือบ้านของบิดามารดาตัวเองเพราะตนเองนั้นไม่เชื่อใจว่า ถ้าหากจะคลอดที่บ้านของสามีแล้วว่าแม่ของสามีที่เราเรียกกันง่ายๆว่าแม่ผัวหรือว่าพี่สาวน้องสาวของผัวนั้นจะช่วยเหลือตนเองนั้นอย่างเต็มที่หรือไม่เพราะการคลอดบุตรคลอดลูกนี้เป็นการเสี่ยงต่ออันตรายต่อชีวิตเหมือนกันแล้วกิจกรรมแห่งการคลอดบุตรนี้ไม่ใช่ของสะอาดเต็มไปด้วยของที่วัวสปรกเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าแม่ของสามีหรือว่าพี่น้องสาวของสามีเกิดความลังเกตขึ้นก็จะไม่ได้ช่วยตัวเองเต็มที่การคลอดบุตนั้นอาจจะเป็นอันตรายได้ดังนั้นก็จึงคิดกลับมาคลอดอย่างบ้านของตัวเองเพราะเหตุอย่างไรก็ตามแม่ของตัวเองอันเป็นแม่ที่บังเกิดอ่าบังเกิดเปล่านั้นไม่ทิ้งลูกเด็กขาแม้จะเป็นของที่น่าลังเกตหรือว่าสโสโครกปานใดแม่พ่อแม่นั้นก็สามารถที่จะทําให้เกิดลูกได้ด้วยความรักลูกนั่เอง แต่ส่วนสามีหรือมารดาบิดาของสามีนั้นนะบิดามารดาของสามีหรือว่าพี่น้องสาของสามีนั้นเป็นคนคนอื่นซึ่งเป็นคนมาที่หลังเพราะฉะนั้นไม่เชื่อแน่ว่าเขาจะเต็มใจช่วยอย่างเต็มที่หรือไม่ดังนั้นหญิงชาวอิชาวอ่าชมพูทวีปทุกคนเมื่อมีครันแก่แล้วก็จะกลับมาคลอดที่บากมาตัวเองนี่เป็นธรรมเนียม ดังนั้นสามแอนพัญญานั้นก็จึงได้ปรึกษาสามีของตนเองที่จะกลับไปคลอดถึบบ้านเดิมส่วนสามีของตนเองนั้นก็กลัวมารดาบิดาของพัญญานั้นจะทำโทษคือกลัวพ่อตามแม่ยายที่จะทำโทษเพราะตัวเองหนีเขาเอาจเพราะตนเองนั้นพาลูกสาวเขาหนีมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัเองก็เป็นคนชายเขาด้วยซึ่งถ้าจะพูดกแล้วศักดิ์ศรีก็ไม่สมกับลูกสาวของเขา เป็นคนใช้เขาเป็นทาสเขาแล้วกลับมาพาลูกสาวเจ้านายหนีนี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นโทษหนักดังนั้นส่วนสามีนั้นก็เป็นผู้ที่ว่ากลัวพ่อตาแม่ยายจะทําโทษก็จึงไม่อยากจะมาแต่ว่าไม่สามารถที่จะขัดพัญญาได้ก็รับรองว่าจะพาไปแต่ว่าแกล้งถัดไปว่าวันโน้นบ้างวันนี้บ้างวันพรุ่งนี้จะให้ไปวันนี้ยังยุ่งอยู่วันนี้ใกล้พอแล้วอย่างนี้บ้าง เมื่อเอาตะผัดปันประกันพรุ่งเช่นนี้ไปก็ทำให้ล่วงเลยไปหลายวันพัญญานั้นเห็นอาการเช่นนั้นก็อย่างรู้ว่าสามีนั้นไม่ประสงค์จะไปก็รู้ได้ทันทีว่าที่สามีกล่าวผัดเพี้ยนไปว่าผัดเพี้ยนไปวันอย่างนั้นก็เพราะเหตุที่ว่าไม่ประสงค์จะไปโดยความที่กลัวต่อมารดาบิดาของตนเองแต่ พัญญานั้นเห็นว่าคือจะรอสามีอยู่ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นอยู่ต่อมาวันหนึ่งเมื่อสามีออกไปทำงานนอกบ้านพัญญาก็เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วก็จึงได้สั่งคนผู้คุ้นเคยกันที่อยู่ใกล้ๆเลืเอนกันใกล้เกียงกันนั้นเพื่อที่จะบอกให้สามีแล้วตนเองเอให้บอกสามีต่ออว่าตนเองนั้นจะกลับไปคลอดอย่างบ้านเดิมของตอนเอง แล้วก็จึงได้หนีออกจากเรือนของตอนเองมันเดินไปตามทางแต่พอมาถึงระหว่างทางนั้นก็ปวดท้องคลอดลูกออกมาสิก่อนยังไม่ทันจะถึงบ้านออกลูกออกคลอดลูกออกมาเป็นชายทในระหว่างกลางทางส่วนสามีนะั้นเมื่อกลับไปบ้านไม่เห็นพรรัญญาสู้ถามทราบความว่าเดินทางกลับมาบ้านเดิมเพื่อจะคลอดแล้วก็จึงได้เดินทางต่างแอนเดิน ตามมาก็ออกติดตามมาแล้วก็ไปทันกันในระหว่าง้นทางที่เห็นเห็นว่าพัญญานั้นคลอดบุตรแล้วก็จึงได้บอกว่าการที่เธอนั้นจะไปต้องการที่จะไปอย่างบ้านเดิมพออ่อนพ่อแม่นั้นก็เพื่อประสงค์ที่จะคลอดบุตรหรือว่าคลอดลูกนัเองแต่ว่าเดี๋ยวนี้กิจกรรมอันนั้นมันก็หมดไปแล้วคือเธอได้คลอดมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นจะต้องไปอีกก็เลยพากลับมาอยู่บ้าน ตามเดิมอีกก็เพระเหตุที่บาปของตัวเองนั้นคลอดอยู่ในระหว่างทางก็จึงได้ตั้งชื่อของทาลกนั้นว่าปันธกะเห็ปันธ ก, กะนี่ปัญทะนี่แ ป, ปลว่าหนทางปันทกะก็แปลว่าผู้เกิดในระหว่างหนทางนั่นเองแล้วก็สามีพัญญาผู้นี้ก็จึงได้ทํามาหาเลี้ยงบุตรของตัวเองต่อมาเมื่ออยู่ต่อมาแล้วก็ปรากฏว่าพัญญานี้ ก็ได้ตั้งครรภ์อีกเมื่อครรแก่เข้าก็จึงได้ขอร้องสามีผู้ทํานองปรึกษาที่ว่าจะกลับไปคลอดอย่างบ้านเดิมของตัวเองอีกเหมือนกับข้าก่อนสามีก็ผัดเพี้ยนเพราะเหตุที่ว่ากลัวพ่อตาแม่ยายก็ได้ผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยๆพัญญานั้นก็เห็นอาการเช่นนั้นก็จึงรู้ความประสงค์ของสามีดังนั้นวันหนึ่งนั้น เมื่อสามีออกไปทำงานนอกบ้านก็จึงได้ห น, นีออกไปเหมือนกับคราวแรกโดยสั่งคนข้างบ้านไว้แต่ก็เมื่อไปและระหว่างทางอีกก็เหมือนกันก็ไปเกิดปวดท้องนี่แล้วก็คลอดออกมาซะก่อนยังไม่สามารถที่จะไปถึงบ้านได้ส่วนสามีกลับมาจะาทำงานนอกบ้านแล้วเห็นพญญาหนีไปหายไปก็จึงสอบถามคน ทางบ้านเมื่อทราบความเช่นนั้นแล้วก็เดินออกติดตามไปก็ไปพบปอกพัญญานี้ได้คลอดลูกออกเรียบร้อยแล้วในระหว่างคุณทา น, นเองก็จึงได้กล่าวเช่นนั้นแล้วก็รับกลักเพราะฉะนั้นเด็กคนที่สองลูกชาลูกชายคนที่สองนี้ก็ออกไาเป็นลูกชายอีกดัง <c oughs> น, น, นั้นก็จึงได้ชื่อตั้งได้ตั้งชื่อของลูกชายคนที่สองนี้ว่าปันธกะเหมือนกันเพราะเกิดในคุณทามเหมือนกัน คนดังนั้นก็คนโตก็จึงได้เติมนำหน้าว่ามหาปันธกะก็แปลว่าพ่อกันปันธกะคนโตส่วนคนเล็กนี่ก็ชื่อว่าเติมหน้าว่าจุระปันธกะแปลว่าพ่อปันธกะน้อยนะคนโตมหาปันธกะก็แปลว่าพ่อปันธกะพ่อปันธกะใหญ่จุลปันธกะก็พ่อปันธกะน้อยนี่ก็ได้ชื่อลูกของตัวเองนี้ว่าปันธกะเหมือนกันทั้งคู่ เพราะเหตุที่ว่าเกิดในระหว่างหนทางในกันทั้งคู่เอาละท่านสาธุชนและนักศึกษาทั้งหลายวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอความเจริญพาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอเจริญพรเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนและท่านนักศึกษาทั้งหลาย คราวที่แล้วนั้นก็ได้กล่าวถึงประวัติของท่านพระมหาปันธกะกับจูรปันธกะนั้นค้างอยู่ครั้งที่แล้วนั้นได้กล่าวมาถึงตอนที่พระมหา ป, ปันธกะและจูรปันธกะนั้นที่ได้ชื่ออย่างนั้นเพราะเหตุที่ว่าเกิดในระหว่างกลางทาง บิดามารดาก็จึงได้ชื่อตั้งชื่อว่าปันธกะเหมือนเมือนกันแต่คนโตนั้นก็เติมข้างหน้าว่ามหาปันธกะแปลว่าพ่อกันธกะใหญ่ส่วนคนเล็กก็เติมคำว่าจูละปันธกะแปลว่าผู้พ่อกันปันธกะน้อยอยู่ต่อมานั้นเมื่อมหาปันธกะและจูละปันธะก ะ, จะเจริญวัยขึ้นแล้วได้ไปเล่นกับเด็กชาวบ้านด้วยกัน นะแล้วก็ได้ยินพวกเด็กชาวบ้านเหล่านั้นใกล้เพียงกันนั้นเรียกคนบางคนว่าปู่วญ ย, ยาวตาวายส่วนเต้นตนเองนั้นไม่เห็นมีคนคนใดคนหนึ่งที่ตนเองจะเรียกอย่างนั้นกับเขาบ้างมีแต่เรียกได้มีแต่เพียงว่าคนที่ตนเองเรียกว่าแม่และก็พ่อเท่านั้นเองส่วนปู่ย่าตายายนะั้นไม่มีคนที่ตนเองจะเรียกได้เลย ก็เกิดความสงสัยว่าทําไมคนเด็กๆทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเล่นกันคนเช่าเด็กชาวบ้านที่เป็นเพื่อนเล่นกันนั้นเขาจึงได้มีปู่มีหญ้ามีตาไม้มีใ ย, ย, ยแต่เหล่านี้ไม่มีเลยปูก็ไม่มียญาก็ไม่มีตาก็ไม่มียายก็ไม่มีมันเป็นยังไงกันเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยเช่นนี้ก็จึงได้เข้าไปถามมารดาของตนว่าแม่เด็กๆผู้อื่นเขาเรียกคนที่สูงอายุ ว่าตาบ้างว่ายายบ้างก็ญาติของเราเนะี่ยในที่นี้ไม่มีบ้างเลยหรือคือปูญ่ญาตายายของเราในที่นี้ที่เราจะเรียกัไม่มีบ้างเลยหรือแม่ก็บอกวันเอ้ยลูกเอ้ยญาติของเจ้านะ่ะในที่นี้ไม่มีหรอกตาของเจ้านั้นนะ่ะแต่ตาของเจ้าของของเจ้านั้นนะ่ะของลูกนั้นนะ่ะชื่อว่าธนะเสรษฐีนะอยู่ที่เมืองราชเกลืโน้น ในเมืองราชเกลือนั้นญาติของเรานั้นมีมากเหลือเกินอพวกลูกๆ ก, ก็จึงได้ถามว่าแล้วทาไมแม่ไม่ไปอยู่ในที่นั้นบ้างเา่าอส่วนมารดา น, นั้นก็ไม่กล้า บ, บอกความจริง่ะแก่ลูกๆว่าทําไมตนเองถึงไม่ไปอยู่บ้านเดียวกันกับที่ปู่ที่ญาติอยู่ที่ตาที่ยาอยู่เล่ามารดาก็ไม่กล้า บ, บอกความจริงให้แก่ลูกชายได้สราบ ลูกชายก็ลบกวนถามอยู่ บ, บ่อยๆนะฮอยากจะไปะทําไมถึงไม่อยู่กับพ่อทำไมอยู่กับตากะยายและทําไมไม่พาไปเยี่ยมตายายบ้างก็ลบเล่าอยู่ บ, บ่อยๆจนกระทั่งเรียกว่าให้เกิดความลาคาญดังนั้นทิ<ช>ด า, ด า, ดาของเศรษฐีผู้เป็นแม่นี่ก็จึงได้ปรึกษากับสามีของตนเองว่าพวกลูกๆเราเหล่านี้นี่ยลบกวนเหลือเกิน อยากจะเห็นหน้าตาอยากจะเห็นหน้ายายอยากจะเรียกตาเรียกยายรบกวนว่าทําไมไม่พาไปเที่ยวบงังไม่พาไปหาตาหายายบางังขึ้นชื่อว่ามารดาบิด <c> า <oughs> นั่นนะ่ะเห็นลูกของแล้วที่จะฆ่ากินเนื้อทีเดียวน่นนะเห็นจะไม่มีแล้นะบิดามารดาหนะ่ะเห็นลูกเขาแล้วจะฆ่ากินเนื้อเทียวเทยวหรืออยากกันนั้นเลย เราจงพาพวกลูกๆของเราเนี่ยไปเยี่ยมตาสักครั้งเถอะขั้นปรึกษากันได้ดังนี้แล้วสองสามีพัญญาก็จึงได้พาลูกชายทั้งสองคนไปเมืองราชคลึ้คือได้พาทั้งมหาปันธากะและจุลปันธากะไปที่เมืองราชคลึ้เมื่อไปถึงเมืองราชคลึ้แล้วก็ยังไม่กล้าที่จะเข้าไปบ้านของตัวเองเพราะยังกลัวอยู่ว่าบิดามารดา น, นี่ยคงยังโกรธเคืองตัวเองอยู่อาจจะทําร้ายหรือว่าอาจจะทําโทษตัวเองก็ได้ ดังนั้นจึงได้พักอยู่ที่สลาหลังหนึ่งใกล้ประตูเมืองเรียกว่าเป็นสลาหลังบ้านใกล้อยู่ประตูเมืองแล้วก็ให้คนไปบอกแก่ธนเศรษฐีว่าบัดนีนะ้ลูกสาวของตัวเองนั้นได้พาหลานชายสองคนมาเยี่ยมแล้วเศรษฐีนั้นพอได้ฟังแล้วก็มีความแค้นเคืองยังไม่หายอยู่ว่าดูดูว่าลูกสาวของตัวเองนี่ไม่รักดี ตามผู้ชายไปแล้วก็ผู้ชายคนนั้นก็เป็นคนชายซะอีกด้วยเป็นคนที่ไม่รักดีก็ยังเคืองอยู่เคืองลูกสาวอยู่แต่ว่าเข้าตำราที่เลววะเกลียดตัวแล้วก็กินไข่เกลียดปลไหลกินน้ำแกงเสฐีนี่ก็มีก็เป็นคนที่มีนิสัยอย่างนี้เหมือนกันยังมีความเคืองต่อลูกสาวของตัวเองอยู่ก็จึงได้สั่งให้คนที่มาบอกกับตนเองที่ลูกสาวตัวเองชายมานั้นบอกกลับไปว่า จงไปบอกอ่าจงไปส่งข่าวกับสองสุเอิบสองคนผัวเมียนั่นด้วยว่าอย่าได้เข้ามาให้ฉันได้เห็นหน้าเลยอย่าได้เข้ามาเมื่อต้องการอะไรก็บอกมาที่จะเอาไปเลี้ยงชีวิตนะ่ะเอามาเถอะเอาบอกมาแล้วฉันจะให้แต่จงส่งหลานน้อ ย, อยสองคนมาให้ฉั น, นฟังฟั ง, ฟงอฟังคำพูดของเศรษฐีเกลียดลูกสาวตัวเอ ง, ว, เองว่าอย่าให้มาเห็นหน้าเยวยังเครืองอยู่ แต่ให้ส่งหลานน้อยมามาให้ฉันซึ่งหลานน้อยนะั่นก็เป็นลูกสาวเขาอ่ำก็เป็นลูกของลูกสาวตัวเองนี่เข้าประเภททีเดียวกับผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นก็มีอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าหากว่าเข้าผู้ใหญ่ไม่ได้นั้นก็ต้องส่งหลานน้อยเข้าไปเนี่ยบรรดาลูกๆทั้งหลายก็เห็นตัวเห็นอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างพ่อแม่นั้นเป็นคนโกรธเคืองก็ต้องส่งหลานเข้าไปไม่ช้าก็ดีเองสองสามีพัญญา น, นั้นก็เมื่อปรึกษากันแล้วก็เห็นด้วยว่า การที่เราทำมาหากินนี้ยังเลี้ยงลูกในน้อยอีกสองคนนั้นก็เรียกว่าก็ทำให้เกิดความลำบากขึ้นมากเพราะการทำมาหากินนั้นก็ไม่ใช่ค่อยจะสมบูรณ์นะถ้าหากว่าให้หลานให้ลูกของตัวเองในน้อยนี่อยู่ในตระกูลของเศรษฐีให้ตาเลี้ยงนี่ก็จะเป็นการที่เรียกว่าอนาคตก็จะดีด้วย ประการหนึ่งและอีกการประการหนึ่งก็เรียกว่าจะเป็นการผ่อนเบาภาระของเราผู้เป็นสามีพันยาทั้งสองคนด้วยดังนั้นสามีพันยาเมื่อปลกลงกันชินน้นดีแล้วก็ถือก็เอาเอานําอ่าเมื่อก็จึงได้สั่งให้คนไปบอกต้องการทรัพย์จากพ่อของตนพ่อผู้เป็นเศรีของตนนั้นเพียงพอแก่ความต้องการแล้วก็ส่งหลานน้อยทั้งแอบก็ส่องลูกของตนเองทั้งสองนั้นให้ไปอยู่ ในความเลี้ยงดูของพ่อของตนเองคือของธนเศรษฐีและตนเองก็ถือเอาทรัพสมบัติพอความต้องการแล้วก็กลับไปอยู่ที่เดิมของตนเองทั้งสามีพัญญาส่วนเด็กทั้งสองคนนั้นคือมหาปันธกะและจูรปัญ thag ก, ก็อาศัยอยู่ในสำนักของตาของธนเศรษฐีผู้เป็นตาจนจเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาแล้วเป็นลาดับ ได้รับการศึกษาเท่าที่คนส่วนมหาปัญธก a g นั้นเมื่อเจริญใหญ่เมื่อจเจริญรวัยใหญ่ขึ้นแล้วได้ติดตามตาไปวัดบ่อยๆนะคือได้ไปเมื่อตานั้นคือธนเศรษฐีนั้นเมื่อไปฟังเทศที่พระเวรุวันมหาวิหารมหาปัญก h a g านี้ก็ได้ติดตามตานะไปฟังเทศอยู่บ่อยๆเป็นประจำนะ ได้ฟังเสมอๆขั้นได้ฟังธรรมเทศนาขึ้นแล้วบ่อยๆแล้วก็เกิดศรัทธาเริ่มใสขึ้นมาต้องการจะบวชในพุทธศาสนาจึงได้บอกเรื่องนี้กัตาขออนุญาตตาบวชตานั้นก็อนุญาตให้ก็อนุญาตยอมให้บวชก็จึงได้นำมหาปันธากะผู้นี้แหละไปเฝ้าพระบรมศาสดาก็ปราทูนว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเด็กคนนี้มีศรัทธาใคร่จะบวชในพุทธศาสนาพระบรมศาสดาก็จึงรับสั่งให้พิสุร่ปหนึ่งจัดการบรรพชาเป็นสมณเนนให้ปันตกาศสมณเณรมหาปันตกาศสมณเณร น, น, นี้เมื่ออยู่บวชเป็นสมณเณรมาอยู่มาจนกระทั่งอายุครบยี่สปีบริบูรณ์ก็จึงได้อุปสมบทเป็นพิสุ เมื่ออุปสมบทเป็นภิสูจน์เขาแล้วก็ได้เรียนพระพุทธพจน์พุทธพจน์เนี่ยได้มากเป็นผู้ใหม่ประมาทอุตสาหบมเพลิเพียรในวิปัสนากรรมฐานไม่นานก็ได้สำเร็จพระอรหัตผลเมื่อท่านพระมหาปัญกากะนี้สำเร็จพระอรหัตผลแล้วก็คิดว่าเรานี้สำเร็จกิดแถงพรหมจรรย์แล้ว สมควรที่จะรับภาระทุรละของสงฆ์สักสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากระทำเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อไปจึงได้เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาทูลอาสาที่จะรับหน้าที่เป็นพัตตุเทศพัตตุเทศนี่ก็แปลว่าเป็นผู้แจกพัตก็คือหมายความแจกนิมนต์เองเช่นมีทายกทายกามานิมนต์เช่นว่าในวัดนี้ต้องการพระเก้ารูป ไปเจริญพระพุทธมนต์แต่พระในวัดนี้มีมากกว่าเก้าลูกก็นิมนต์ให้ไปเป็นลําดับกันเมื่อถึงแค่ไหนก็จําไว้เมื่อต่อมามีคนนิมนต์อีกก็อ่านิมนต์องค์ต่อไปเมื่อหมดแล้วก็กลับมาองค์ต้นใหม่เช่นนี้แหละเป็นลําดับไปเรียกว่าเป็นหน้าที่พระทุเทศเป็นผู้แจกพัดคือแจกกิจ น, นิมนต์พระองค์ก็ทรงอนุมัติเมื่อ พระมหาปัญถกะเถระผู้นี้ขอรับอาสาที่จะเป็นพระตุเทศพระองค์ก็ทรงอนุมัติแล้วก็ประทานตําแหน่งนั้นให้แก่ท่านปรากฏว่าท่านนั้นได้ทํางานในหน้าที่นั้นในหน้าที่นั้นอย่างเรียบร้อยเป็นอย่างดีคือหมายความว่าเป็นผู้ที่ไม่อคติลําเอียงจัดไปตามวาระตามหน้าที่ไม่ว่าบุคคลพิสุโองค์นั้นจะเป็นพิสุทู่มีชื่อเสียงหรือไม่ หรือบ้านของทายกไทยิกาจะเป็นบ้านที่ร่ํารวยหรือไม่หรื อ, อยากจนใช่ไหมจัดไปตามดับวาระเรียกว่าทําหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อยดีและท่านพระมหาปัญสกะเทระนั้นเป็นผู้ที่พระบรมศาสดานั้นทรงยกย่องว่าเป็นรูปผู้เลิศกว่าพิสุทธ์ทั้งหลายผู้เจริญปัญญาภาวนาในทางเจริญปัญญาภาวนาเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงกว่าพิสุทธทั้งหลาย ท่านมหาปทกะเทระนั้นเมื่อท่านได้สำเร็จเป็นพระหันแล้วก็ปรากฏว่าท่านได้ทราบถึงว่าการที่เป็นผู้หมดกิเลสนั้นเป็นความสุขอย่างยิ่งเีวกว่าสุขอันเกิดจากความสันติก็เลยหวนมาระลึกถึงน้องชายของตนเองคือจุรปันธกะ จูระันากะต้องการจะให้จูระพันธะเนี่ยได้เสวยสุขอันเกิดจากวิมุติคือความหลุดพ้นอย่างก็ตนบะเองบ้างเห็นว่าเป็นความสุขที่มั่นคงที่แน่นอนที่เที่ยงแท้เห็นว่าน้องชา้างตัวเองถ้าอยู่ในเพศฆราวา น, นั้นก็จะมีความสุขที่ไม่เที่ยงแท้ดังนั้นก็นั้นลึกถึงกวา่าอันถึงน้องชายตัวเองก็จริงได้ไปอย่างบ้านของท่านธนะเศรษฐีคือ บ้านของเจของตานั่นเองแล้วก็ขออนุญาตตานั้นเพื่อจะเอาน้องชายเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเศรษฐีผู้เป็นตาก็อนุญาตให้ตามประสงค์พระมหาปัญ t ก a g เทระนั้นจึงให้จุระปัญ t ก a นี้บวชขั้นจุรปัญ t กะบวชแล้วปรากฏว่าจุรปัญ t ก a g นี้เป็นคนที่มีปัญญาทึบมาก พ, พี่ชายนะั้นสอนให้เรียนคาถาพรลณาถึงพระพุทธคุณนั้นเพียงคาถาเดียวเรียนอยู่ถึงสี่เดือนก็ยังจําไม่ได้คือเอาคาถามาให้เพียงคาถาเดียวซึ่งคาถานั้นเป็นคาถาที่พรรณนาถึงพระพุทธคุณคือคุณของพุทธเจ้าให้ท่องอยู่นะเพียงคาถาเดียวสี่เดือนท่องไม่จบคาถานั้นซึ่งมีความอืมซึ่งมีความว่าปะทุมัง ปัทมังยถาโกกนุทังสุขันธังปาโติยาภลละมะวีตะคันธังอังเคระสังปัะวิโรจมานังตะปันตะมาทิจักมิวันตะลิเขเนี่ยสี่บาทไอ้่บาทเท่านั้นเองเพียงคถาหนึ่งคถาเพียงสี่บาทเทเนี่ยจูรปันถกนันจุรปันเถกกัน ท่องไม่ได้สี่เดือนท่องจำไม่ได้ในคาถานั้นแปลมีความว่าเธอจงดูพระสักยมุนีอังคีรสผู้มีพระสมีแผ่ซ่านออกจากพระวรกายมีพระบวรพักอันเบิกบานปานประหนึ่งวัาดอกปธุมชาติชื่อว่าโกกนุษ์ซึ่งมีกลิ่นหอม ย่อมขยายกลีบแย้มบานในการเช้ามีกลิ่นเลนูมิเดหายและเหยหอมท่านย่อมลุงเรืองไพโรดดุดดวงที่วากอนอันส่งแสงสว่างแผ่แสงอยู่บนอากาศฉชนั้นความหมายของคาถาคาถาบทนี้จูรปันทกท่องอยู่สี่เดือนจำไม่ได้ท่านมหาปันธกะเทละ ทราบว่าน้องชายขอาตัวเองนั้นโง่เขลาจนโง่เขลาเกินไปมากเห็นว่าเป็นอภัพภพบุคคลเป็นผู้ควรไม่ควรที่จะได้บรรลุมรรคผลในพุทธศาสนาแล้วก็จึงได้ประนามขับไล่เสียออกจากสำนักของท่านทั้งในเวลานั้นท่านก็เป็นพระตุเทศหมออาชิอหมอชีวโกโมรพัฒนั้น มานิมนต์พระให้ไปฉันในวันลุงขึ้นท่านก็ไม่ยอมนิมนต์ให้น้องชายของท่านนั้นไปในที่นิมนต์ด้วยขับประนามไปเสียจูลปันธกะเทระผู้นี้เถระคนนี้ก็เกิดความน้อยใจขึ้นมาคิดที่จะศึกไปเสียจึงได้ออกไปแต่เท้าตรูในวันนั้นในวันลุงขึ้นวันนั้นเองก็จึงได้เมื่อพี่ชายตัวเองขับไล่ออกไปจากสำนักแล้ว ก็จึงออกไปแต่เช้าตรู่ในค่าคือันในเชา้าแอรในค่อนลุ่มนั้นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้านั้นพระองค์ก็ทรงเร็งข่ายพยานตรวจ ด, ดูสัตว์โลกซึ่งเป็นปกติวิสัยของพระพุทธองค์ว่าค้อนลุ่งนั้นพระองค์จะตรอดตรวจดูสัตว์โลกตั้งแต่ขอบพระคันธุดีจดขอบจักรวาล แล้วก็ย้อนกลับจากขอบจักรวาล น, นั้นจดประคันทุกคุณดีถ้ามีเราสัตว์ผู้ใดนั้นปรากฏในข่ายพยานของพระองค์แล้วพระองค์ก็จะเสด็จไปโปรดนะก็ะเสด็จไปโปรดเพื่อให้เขานั้นสำเร็จมรรคผลนิพพานดังนั้นบุคคลที่จะสำเร็จมรรคผลนิพพานนั้นก็จะเข้าไปอยู่ในข่ายพยานของพระองค์ในข้อลุงตอนเช้าวันนั้นเอง พระองค์นั้นทรงเปล่งอทรงตรวจดูสัตว์โลกอยู่ก็ปรากฏว่าจุรปันธกะเถระผู้นี้แหละเข้าไปปรากฏอยู่ในไข่ยพยานของพระองค์พระองค์ก็ทรงพิจารณาต่อไปว่าจุรปันทกผู้นี้จะสําเร็จมรรคผลนิพพานหรือไม่ก็ปรากฏว่าจูรปันทกนี้เมื่อได้ประสบพบพระองค์แล้วก็จะสําเร็จมรรคผลนิพพาน ดังนั้นในเช้าตรู่วันนั้นพระองค์ก็จึงได้เสด็จไปดักจูรปันทหกนี้ที่ประตูที่ซุ้มประตูพระวิหารคือซุ้มประตูวัดจูรปันทหกนี้เกิดความน้อยใจขึ้นมาก็คิดที่จะกลับไปยังไปบ้านคือไปศึกเสียอย่างที่บ้านของตาตนเองก็จึงได้ออกไปแต่เช้าตรู่ก็ได้ไปพบพระบรมศาสดาเสด็จจงกลมอยู่ที่ซุ้มประตู พระองค์เห็นจุลปันโท ก, ก็จึงได้ตรัสถามว่าจุลปันโทเธอจะไปไหนแต่เช้าตรูเชี่ยวในวันเวลานี้จุลปันโท ก, ก็จึงได้กล่าวทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าจะไปศึกพระเจ้าข่าเพราะว่าพี่ชายขับไล่ข้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าจุลปันโทเธอบวชนั่นน่ะบวชเจาะจงเฉพาะพี่ชายของเธอหรือว่าเจาะจงตถาคต จุลปันโทก็กราบทูลว่าบวชเจาะจงเพราะพุทธองค์พระเจ้าค่ะดังนั้นพระองค์ก็บอกว่าก็เมื่อเธอไม่ได้บวชเจาะจงของพี่ชายเธอเธอบวชเจาะจงตถาคตแล้วก็เมื่อพี่ชายเธอขับไล่ไปแล้วทําไมเธอไม่มาหาตถาคตล่ะไม่มาหาฉันหลอกมานี่การเป็นคารวะนั้นจะได้ประโยชน์อะไรมาอยู่กับฉันดีกว่า จูรับันทุกนั้นก็ได้เข้าไปเข้าไปเฝ้าอย่างที่ใกล้ๆแล้วพระองค์ก็ทรงรูปศรีรษะด้วยฝ่าพระหัตถ์แล้วก็พาจุลปันทุกนั้นสเสด็จไปนั่งที่หน้ามุกพระคันตกุฎีเมื่อพระองค์ประทับนั่งที่นามุกพระคันตกุฎีแล้วพระองค์ก็ได้ประทานผ้าขาวอนบริสุทธิ์ให้พื้นหนึ่งแล้วก็ตรัสให้ จูลปันถก ok นั้นลูกคลําผ้าขาวนั้นก็ให้ทําบริกรรมไปว่าระชโชห ร, ระนังระชโชห ร, ระนังนะระโชหรณังระโชหระนังดังนี้ท่านจุลปันถก ok นั้นเมื่อคลําผ้านั้นแล้วก็บริกรรมไปด้วยว่าระชโชห ร, ระนังระโชหระนังไม่ช้านักนะปรากฏว่าผ้านั้นเศร้าหมองเหมือนกับผ้าที่เช็ดเหมือนกับผ้าเช็ดมือคือผ้านั้น เปื้อนไปด้วยเหงื่อและใครน่ะเหมือนกับผ้าที่เช็ดมือก็จึงได้มาคิดได้ว่าผ้านี้นั้ น, นเป็นของขาวบริสุทธิ์อย่างเหลือเกินเมื่อก่อนนี้แต่ว่าอาศัยการที่มาถูกต้องอัตภาพนี้จึงละภาวะเดิมเสียกลายเป็นผ้าที่เศร้าหมองไปอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่เทียงหนอดังนี้จึงได้นําเอาภาวะของผ้าขาวผืนนั้นมาเทียบกับสังขาร โดยพิจารณาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอคือเมื่อเกิดมาเดิมแต่ต้นนั้นก็เป็นสังขารที่บริสุทธิ์ที่สวยงามที่เปล่งปลัง่งแต่อยู่ต่อไปต่อไปก็ละภาวะเดิมกลายเป็นสังขารที่เหี่ยวย่นเศร้าหมองไปก็จึงได้ ม, มาพิจารณาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอดังนี้แล้วก็จเจริญมีปัสนา พระบรมศาสดาทรงทราบวาะจิตของจูรปันทกว่าอย่างลงสู่แต่ลักแล้วก็จึงได้ตรัสสอนด้วยพระคาถาสามพระคาถาในเวลาจบพระคาถานั่นเองปรากฏว่าท่านพระจูรปันทกะนี้ได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาญาณพร้อมด้วยปิสัมิทาญาณ น, นั่นเอง นี่จะเห็นได้ว่าพระจูรปันถกนี้เป็นคนที่ว่าตอนแรกนั้นเป็นคนที่เรียกว่ามีปัญญาทึบมากแต่ว่ามาได้ฟังคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงไม่ทลายก็ได้สำเร็จอ ร, รหัตผลได้อันนี้ถท่าจะพูดกันตามนั่นแล้วก็หมายความว่าท่านพระมจูรมหาปันทกนั้น เรียกว่าไม่ทราบวาราจิตหรือว่าควรจะสอนเช่นไรแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นพระสัพพัญยูก่อนที่พระองค์จะทรงสอนนั้นก็ต้องตรวจ ด, ดูอุปนิสัยของคนละก่อนว่ามีจิตใจน้อมไปทํานองใดก็สอนให้ถูกต้องตามอธัธยาสัยของเขาเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาเห็นวาราจิตของจุลปันทกเจนีแล้วก็ทรงสั่งสอนให้ถูกต้องกับอุปนิสัยของเขา จุระปันทกได้ประพฤติตามนั้นก็จึงได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยพิสัมพิธานญาณนั้นไม่ยากนะนี่เรียกว่าสอนได้ถูกจุดหรือว่าถูกอุปนิสัยเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องตรวจดูอุปนิสัยซะก่อนในเวลาที่ท่านจระจรปันทกรูปครทำบริกรรมอยู่นั้นก็เป็นเวลาที่พระบรมศาสดา ล้อมด้วยพิสุประมาณาด้วยพิสุประมาณ499องค์หย่อนอยู่องค์หนึ่งก็คือหย่อนอยู่ที่พระจูรปันถกได้เสด็จไปสู่เรือนของหมอชีวกครั้นท่านได้สาเร็จพระรอรหันต์พระอรหันต์แล้วก็พอถึงเวลาฉันพอตีคือตอนที่ท่านพระจูระปันถกนั้นสําเร็จพระอรหันต์นั้นเป็นเวลาที่ถึงเวลาที่จะชันพอดี หมอชีวกโกมาลาพัทก็จึงได้น้อมพัดเข้าไปคือน้อมอาหารพัดอาหารเข้าไปเพื่อจะถวายพระองค์พระองค์ก็ทรงปิดบาสีไม่ยอมรับโดยตรัสแก่ภิกษุโดยตรัดแก่หมอชีวกว่ายยังภิกษุยังว่าไม่หมดยังเหลืออยู่อยู่ที่วัดอีกองค์หนึ่งหมอโกมาลาพัทก็หมอโกมาลาพัท ก, ก, ก็จึงได้ช้าให้คนไปตามไปตามนิมนต์มา ในครั้งนั้นท่านพระสายท่านพระจูระปันทกนีิปันตะกะนี้ก็จึงได้เลียนเนรมิตพระภิกษุให้เต็มวัดไปหมดถึงพันลูกมีภิกษุถึงพันลูกเต็มวัดไปหมดเมื่อคนชายของหมอชีวกไปถึงถามอ่าไปถึงเข้าเห็นพระมีมากตั้งพันลูกอย่างนั้นก็จึงได้กลับมาบอกกับหมอชีวกบอกไม่ใช่มีองค์เดียวมีตั้งพันองค์เนี่ยพระเต็มวัดไปหมดหมอชีวกจึงได้กราบทูลพระบรมศาสดา พระบรมศาสดาก็จึงได้ตรัสแก่บุรุษ ธ, ธนวเอ้าเจ้าจงกลับไปใหม่กลับไปใหม่ไปบอกว่าพระบรมศาสดานั้นตรัสเรียกหาพระจูละปันถกให้พระจูละปันถกเนี่ยมาบุรุษนั้นก็กลับไปกลับไปก็ไปบอกเขาเรียนกับพิสุทั้งหลายเหล่านั้นบอกว่าองค์สุนทรภัมม์มาสมพุทเเจ้านั้นให้มาตามพระที่ชื่อว่าจูละปันถก ภิกษุทั้งพันลูกก็บอกว่าอาตมาก็ชื่อจุลปันทกอาตมาก็ชื่อจุลปันทกทั้งพันลกูกคนชายนั้นก็กลับมาอีกไม่รู้จะเอาองค์ไหนเพราะทุกองค์พันรูปเนี่ยบอกว่าชื่อจุลปันทกหมดก็กลับมากราบทูลพระบรมศาสดาใหม่พระบุตองค์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอจะกลับไปใหม่ภิกษุรูปใดพูดขึ้นก่อนว่าอ อตาตมาชื่อจุลปันธกแล้วเธอจงจับมือของพิสุรูปนั้นดึงมาเลยและพิสุนอกเหนือจากนั้นไปก็จะอันตรธานไปเองบุรุษนั้นก็จึงได้กลับไปใหม่ก็ทำเหมือนกับที่องค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งคือไปถึงก็ไปเรียนพิสุทั้งพันรูปซึ่งความจริงก็มีองค์เดียวมีเพียงรูปเดียวเพราะเหตุที่ว่าจุลปันถกนั้นเนลมิตร มีให้พิสุถึงเต็มวัดถึงพันลูกนั่นเองก็จึงไปเดียนถามว่าพระผู้มีภาคเจ้านั้นให้มาตามพระชื่อว่าจุลปันทกเมื่อพิสุจุลปันทกกล่าวว่าอาตมาชื่อจุลปันทกบุรุษนั้นก็จึงได้คว้าข้อมือของพระจุลปันทกนั้นในขณะที่คว้าแล้วนั้นก็ปรากฏว่าพิสุที่เดินละมิดถึงพันลูกนั้นก็จึงได้หายไปในที่สุดก็จึงได้นำพระจุลปันทกนี้ มาอย่างบ้านหมอชีวโกโกมารพัดได้ในที่สุดเมื่อองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพร้อมด้วยพิสุทั้งหมดห้าร้อยซึ่งมีจูลปันทกอยู่ด้วยได้ทำพัฒกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วคือหมายถึงว่าฉันเสร็จพระองค์ก็ตรัสให้จูลปันทกนี้ทำพัฒ ต, ตานุโมทนาก็หมายความว่าให้อนุโมทนาส่วนพระองค์พร้อมด้วยพิสุ รวมทั้งหมด499นั้นสเสด็จ ก, กับพระเวฬุวันมหาวิหารก่อนให้พระจุลปันทก น, นี้อนุโมทนาเพียงองค์เดียวอันนี้เป็นหลักแห่งการอนุโมทนาในพุทธศาสนาในอนดีตการคือคลั่งแต่งแก่พุทธการมาคือเท่านิมนต์ไปพระไปชันเก้าองค์กระตามหรือสิบองค์กระตามพอชันเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้อนุโมทนาทั้งสิองค์หรือทั้ง9้าองค์ เมื่อต้องการจะให้รูปใดอนุโมทนาก็ให้รูปนั้นอยู่ก่อนส่วนพระที่ฉันเสร็จนั้นก็กลับวัด น, นี่เป็นเรียกว่าเป็นระเบียบแห่งการกระทำอนุโมทนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแต่ว่ามาไปในปัจจุบันนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยการพระพิสุทั้งหมดที่ไปฉันในที่นิมนต์นั้นก็อนุโมทนาด้วยกันทั้งหมดเราก็ได้ถือกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ อาศัยที่ท่านพระจูรปันถกนั้นประกอบไปด้วยมโนมยิธิคือมีฤทธทางใจสามารถตนเองเพียงผู้เดียวนั้นเนลมิตรพระไดถึงพันลูกเช่นนั้นก็จึงได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นผู้เลิศกว่าพิสุทธ์ั้งหลายในทางเป็นผู้ชำนาญในมโนมยิธิคือแสดงฤทธทางใจหรือมีฤทธทางใจได ท่านพระจุรปันถกนี้ต่อมาพิสุท์ั้งหลายได้กล่าวทูลถามพระองค์ว่าทำไมบุคคลที่มีอุปนิสัยที่จะสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นพระหรหันต์นี้ยังในขั้นแรงนั้นยังเป็นคนที่เรียกว่ามีปัญญาทึบแม้แต่คาถาบทเดียวนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะท่องจำได้ถึงสี่เดือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้ตรัสถึงบุพรกรรม คือกรรมในชาติก่อนของจุลปันทกสุนทรทำไว้ว่าจุลปันทกนี้ในชาติก่อนนั้นเป็นคนที่ฉลาดแต่เสร็จแล้วไปหัวเราะเยาะคนที่โง่เขลาเบาปัญญาคือเห็นบุคคลใดเป็นคนโง่คนเขลาเมื่อถูกถามสิ่งใดตอบไม่ถูกแล้วก็เกิดหัวเราะเยาะกรรมที่ตนเองเป็นผู้หัวเราะเยาะคนที่โง่เขลาเบาปัญญานี่แหละจึงมาเป็นเหตุที่ทําให้ในชาตินี้นั้นจุลปันทก จึงเป็นคนมีปัญญาทึบในตอนแรกและต่อมานั้นเมื่อได้รับคำแนะนำจากพระบรมศาสดาในห้นทางที่ถูกต้องนั้นก็จึงได้สดาเร็จมรรคผลนิพพานไม่ช้านะักท่านพระจุรปันถกนี้และขาท่านพระมหาปั น, ปนธกะและจุรปันธกะทั้งสองพี่น้องนี้ก็นับว่าเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่ศา ส, สนาช่วยพระบรมศาสดา องหนึ่งเหมือนกันท่านก็ดำลงพระชนมายุอาชนมายุสังขารอยู่มาโดยเวลาสมควรก็ดับขันธพัิภัณพ์นี่เป็นประวัติของท่านพระเถระพี่น้องทั้งสองจบเพียงแค่นี้ขอความเจริญพาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและสาธุและท่านนักศึกษาทั้งหลายด้วยกันทุกทุกท่านขอเจริญพร